พระพุทธเจ้าสอนวิธีพ้นทุกข์ด้วยการรู้ทุกข์วงเล็บเปิด1พฤษภา ค, คม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเรามาเรียนธรรมะเรียนวิธีปฏิบัติให้รู้วิธีปฏิบัติแล้วลงมือทำํำลงมือปฏิบัติจะได้ผลอย่างรวดเร็วถ้าไม่รู้วิธีปฏิบัติไม่ได้ผลหรอกผลที่เกิดขึ้นคือพ้นทุกข์ในเบื้องต้นเราจะพ้นทุกข์ทางใจก่อนเพราะร่างกายยังมีอยู่มีร่างกายอยู่นะเหลือแต่ทุกข์ทางกาย แต่ทุกทางใจไม่มีก็ต้องชดใช้กรรมเก่าการที่มีขันห้าเหลืออยู่นี่เป็นกรรมเก่าตัวขันห้านั้นน่ะตัวกรรมเก่าตัววิบากเป็นผลของกรรมเก่าที่ต้องชดใช้อยู่ไปเรื่อยจนมันหมดอายุนะบางคนตายเพราะหมดอายุอายุยุคนี้คือเจ็ดสิบห้าปีบางคนตายเร็วกว่านั้นช้ากว่านั้นตายเพราะกรรมตัดรอนตายเพราะถูกฆ่าตายอะไรอย่างนี้พอตายแล้วมันก็ไม่มีขันจะทุกข์ตอนที่ยังมีร่างกายอยู่นี่มีขันอยู่ มันจะเหลือแต่ทุกทางร่างกายแต่ทุกทางใจนี่หายสนิทเลยเพอเราภาวนาได้ที่จริงๆจะเหลือแต่ทุกทางกายเพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติคือเราพ้นทุกข์เบื้องต้นพ้นทุก์ทางใจนะเหลือแต่ทางกายสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทั้งกายทั้งใจมีแต่ธาตุมีธาตุรู้ธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุธาตุมนทรงตัวอยู่แต่ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาถ้ารู้วิธีก็ไม่ยาก ถ้าไม่รู้วิธีก็ทําไม่ได้เราค้นวิธีการด้วยตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องฟังมหาหลวงพ่อก็คือมาเรียนวิธีปฏิบัติทําอย่างไรจะสามารถพ้นทุกข์ทางใจได้อย่างเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดก็ต้องน้อยลงต้องน้อยลงให้ได้คนในโลกดิ้นรนตลอดเวลาในความเป็นจริงก็ดิ้นรนเพื่อหนีความทุกข์ดิ้นรนเพื่อจะสแสวงหาความสุขดิ้นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยดิ้นเท่าไหร่เท่าไรนะมันหนีไม่ได้บางคนเรียนหนังสือตั้งเยอะใช่ไหม เป็นดอกเตอร์ถามว่าทุกข์ไหมมันก็ยังทุกข์อยู่นะรวยมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านมันทุกข์ไหมมันก็ยังทุกข์อยู่นะใหญ่โตแค่ไหนก็ทุกข์บางคนมีเมียสวยๆมันก็ทุกข์นะกลุ้มใจกลัวเมียทิ้งมันจะเต็มไปด้วยความทุกข์มีลูกก็ทุกข์ลูกเรียนหนังสือไม่เก่งหรือไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนเรียนแล้วจะไปทําอะไรจะติดยาไหมจะคบเพื่อนไม่ดีไหมก็ทุกข์อีก ในโลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ทุกหัวระแหงเลยทำอะไรมันก็ทุกไปหมดเลยบางคนคิดว่าถ้ามีเงินมากๆแล้วจะไม่ทุกข์มันก็มีข้อพิสูจน์แล้วคนมีเงินตั้งเหมื่นๆล้านก็ยังทุกข์นะหน้าตาไม่มีความสุขเลยจิตใจยิ่งกว่าหน้าตาอีกหน้าตาออกทีวีก็แต่งแต่งให้ดูดีหน่อยบางคนก็คิดว่ามีเงินแล้วมีความสุขบางคนคิดว่ามีอำนาจแล้วมีความสุขบางคนคิดว่ามีชื่อเสียงแล้วมีความสุขถามว่าคนมีชื่อเสียงมีความสุขจริงหรือเปล่า บางคนมีความรู้มากๆสังคมยกย่องอย่างนี้มีความสุขไม่สุขจริงหรอกเห็นมันก็ทุกทั้งนั้นนะคนรวยเป็นโรคจิตก็มีมันทุกคนสวยคนเก่งก็ทุกทุกทั้งนั้นเลยมีแต่พระพุทธเจ้านะสอนวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ให้ได้จริงๆใครๆเขาก็เกลียดทุก์ใครๆเขาก็กลัวทุกขใครๆเขาก็อยากหนีทุกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีสอนให้รู้มันไม่ได้สอนให้ละด้วยท่านไม่ได้บอกให้หนีทุก ท่านไม่ได้สอนให้ละทุกข์ท่านสอนให้รู้ทุกข์นี่เป็นศาสตร์ที่อัศจรรย์มากเลยแค่รู้ทุกข์มันพ้นทุกข์ได้นะหนีทุกข์ไม่พ้นทุกข์อย่างพวกเราทุกวันนี้ก็ตะกายนี้ความทุกข์ตลอดมันไม่พ้นทุกข์หรอกหรือไปต่อสู้กับความทุกข์สู้ได้จริงหรือสู้ไม่ได้หรอกอย่างไรความทุกข์มันก็ตามมามีแต่พระพุทธเจ้านะค้นพบศาสตร์แห่งการรู้ทุกข์เพราะฉะนั้นแอพโรชวงเล็บเปิดวิธีเข้าถึงวงเล็บปิด ในทางศาสนาพุทธคือการรู้รู้อะไรรู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุกคืออะไรต้องรู้นิยามก่อนไม่ใช่ว่าอกหักเป็นทุกขตกงานเป็นทุกข์เมียทิ้งเป็นทุกแก่เจ็บตายเป็นทุกขอะไรอย่างนี้นะไอ้นั่นเป็นแค่อาการปรากฏสิ่งที่เรียกว่าทุกแท้เลยนะตัวทุกแท้เลยคือตัวรูปกับนามคือกายกับใจนี้เองความจริงคําว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดรูปกับนามปิดเครื่องหมายคําพูด มันเป็นคําเฉพาะเรามาแปลว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดกายกับใจปิดเครื่องหมายคําพูดนี่มันแปลแบบข้างๆเคียงๆไม่ตรงทีเดียวหรอกเพราะนามไม่ได้มีแต่ใจนามมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกมีหลายอย่างไม่ใช่ใจอันเดียวใจก็เป็นจิตชนิดหนึ่งแต่ภาษาไทยก็คือกายกับใจหรือรูปธรรมกับนามธรรมพูดให้เข้าใจง่ายที่เรียกว่าตัวเราต้องเป็นรูปธรรมกับนามธรรมที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรา นี่คือนิยามของคําว่าทุกข์ทุกข์ก็คือกายกับใจของเราเองนี่แหละสังเกตไหมความทุกข์มันอยู่ที่ไหนความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่กายก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นความทุกข์มันก็มีที่กายกับที่ใจเท่านั้นแหละทีแรกเราก็มองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์จิตใจก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์นี่ยังไม่รู้ซึ้งนะถ้ารู้ซึง้งเราจะรู้ว่าตัวร่างกายนั่นแหละตัวทุกข์ตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่แค่ที่ตั้งของความทุกข์นะ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 มีใครบังคับใจได้ไหมว่าอย่าอยากถ้าอยากแล้วทุก์รู้สึกไหมลองสั่งใจซิจงหมดความอยากณนบัดนี้อา้าวสั่งไปเดี๋ยวมันก็อยากสั่งอีกมันสั่งไม่ได้นะฉะนั้นกายเราก็บังคับมันไม่ได้จริงเราไปบังคับเอาชนะมันไม่ได้จริงหรอกจิตใจเราก็เอาชนะมันไม่ได้จริงท่านถึงไม่ได้สอนให้ไปต่อสู้กับมันท่านให้รู้คาว่าในเครื่องหมายคาพูดพุท ธ, ธะนั่นแหละศาสนาของเราคือศาสนาพุทธ พุทธะแปลว่าในเครื่องหมายคำพูดรู้พุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฉะนั้นไม่ใช่ศาสนาของผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งผู้บังคับผู้กดข่มนะให้เราคอยรู้ทุกคือให้เราคอยรู้กายรู้ใจไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าจริงๆกายเป็นอย่างไรจริงๆจิตใจเป็นอย่างไรตอนนี้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจ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 ท่านไม่เคยบอกว่าขันห้านี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างท่านชี้ขาดออกมาเลยว่ามันเป็นตัวทุกข์แต่เรายังไม่เห็นนี่เรียกว่าเรายังมีอวิชชาเรายังไม่เห็นความจริงไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งทีนี้เราต้องพัฒนาตัวเองทำอย่างไรเราถึงจะสามารถเห็นความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเราต้องคอยดูความจริงไม่ใช่ให้คิดเอา ความคิดไม่ใช่ความจริงใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช uh ่ไปบังคับกายบังคับใจเราดูความจริงของกายของใจต่างหากวิปัสสนากรรมฐานก็คือการที่เรามีสติคอยรู้ความจริงของกายของใจการทําวิปัสสนาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงนะไม่ใช่คิดเอาเองความคิดไม่ใช่ความจริงเรียนรู้ความจริงนะไม่ใช่บังคับเอาบังคับแล้วกายก็แข็งแข็งใจก็แข็งแข็งไม่แสดงความจริงให้ดูมันนิ่งไปหมดเลย ฉะนั้นเราต้องคอยรู้สึกเอาหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาลุงชินนะไปเทศครั้งแรกๆหลวงพ่อขำแทบตายเลยแต่เราไม่หัวเราะนะเราก็ขำไว้ในใจขำแบบปนสังเวชมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งยกมือพูดว่าหลวงพ่อจะบอกให้รู้สึกเอาได้อย่างไรฟิสิกส์บอกอย่าไปใช้ความรู้สึกเออนักฟิสิกส์ให้มันพ้นทุกข์ก็แล้วกันฟิสิกส์ก็คือศาสตร์ที่พยายามจะเรียนรู้ความจริงด้วยแอปโรชวงเล็บเปิดวิธีเข้าถึงวงเล็บปิดที่สัมผัสได้เท่านั้นเอง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 งานวิปัสสนากรรมฐานคือการทำวิจัยภาคสนามใครเคยเรียนเรื่องวิจัยบ้างไหมมีไหมวิจัยไม่ใช่วิจัยธรรมดาด้วยไม่ใช่วิจัยทางเลติเรเจอร์วงเล็บเปิดเอกสารหนังสือวงเล็บปิดเปิดตำราอ่านนี่เป็นการวิจัยภาคสนามเพราะฉะนั้นเราไม่นั่งอ่านตาราดูร่างกายนี้ประกอบด้วยอวัยวะเท่านี้เท่านี้ชนิดนะมียีนอย่างนี้อย่างนี้นี่เราไปอ่านเอา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 เราไม่ได้ต้องการรู้ความจริงมากกว่านั้นหรอกไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องรู้ว่าคุณมลกับคุณมาลีนี่มียีนตัวไหนที่ต่างกันบ้างรู้แล้วไม่พ้นทุกหรอกนะรู้แล้วประสาทกินเปล่าๆเอาไว้ให้พวกนักวิทยาศาสตร์เข้าเรียนกันเราเรียนเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้อะไรเกินจําเป็นความรู้ที่จําเป็นสําหรับการพ้นทุกข์คือการเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรรักความรู้ที่ต้องการนี่นิดเดียวเองไม่ได้เยอะแยะอะไร ไม่ต้องการรู้เลยว่าในจักรวาลนี้มีดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อีกกี่แห่งพระพุทธเจ้าเคยบอกนะว่าในจักรวาลนี้มีดวงอาทิตย์ที่มันมีบริวารแล้วก็มีมนุษย์อาศัยอยู่มีดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ๆในจักรวาลเราในกาแล็กซี่เรามีดวงอาทิตย์ใหญ่ๆที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เป็นร้อยนะมีดวงอาทิตย์เล็กๆอะไรนี่เป็นพันๆฉะนั้นมีอีกเยอะนะเพราะในกาแล็กซี่เรามีดวงอาทิตย์เป็นล้านๆดวง ยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะท่านบอกท่านไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้หรอกเพราะไม่ได้เกี่ยวกับการพ้นทุกข์ฉะนั้นสโคปในวงเล็บขอบเขตของการวิจัยของท่านแค่นิดเดียวท่านทําไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นเองทุกอยู่ที่กายทุกอยู่ที่ใจท่านก็เลยเรียนลงที่กายที่ใจไม่ต้องเรียนเยอะเรียนให้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นก็พอแล้วคอยรู้สึกอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ ในไตรลักษณ the ์ก็ไม่ต้องเห็นทั้งสามอันเห็นอันเดียวก็พอบางคนเห็นอนิจจังก็เป็นพระอรหันต์บางคนเห็นทุกขังก็เป็นพระอรหันต์บางคนเห็นอนัตตาก็เป็นพระอรหันต์ไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งสามอย่างด้วยซ้ำไปเราเรียนเรื่องนิดเดียวเองความรู้ในโลกมีตั้งเยอะแยะนะสิ่งที่ต้องเรียนรู้มีเยอะแยะเลยดาวโน้นดาวนี้ใต้ทะเลเป็นอย่างโน้นสัตว์ชนิดนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราเรียนนิดเดียวเองเราเรียนเรื่องกายกับใจ เราเรียนในแง่มุมนิดเดียวเองในแง่มุมว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเป็นทุกข์ใช้คําว่าในเครื่องหมายคําพูดหรือนะไม่ใช่ในเครื่องหมายคําพูดและหรือมันเป็นอนัตตามุมใดมุมหนึ่งของกายของใจเท่านั้นเองเพียงเห็นมุมใดมุมหนึ่งของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นอนัตตานี่จิตจะหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้ เห็นมุมเดียวก็หมดความยึดถือแล้วหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือใจเมื่อไหร่เราก็พลทุกข์เมื่อ น, นั้นแหละคล้ายๆแต่เดิมเราคิดว่ากายกับใจมันอยู่กับเราตลอดเราทิ้งมันไม่ออกหรอกสมมุตินะสมมุติว่าหลวงพ่อเกิดมาผู้ใหญ่ก็มอบกระติกอันนี้มาให้หลวงพ่อก็กอดไว้ตลอดเลยตั้งแต่เด็กมาเรานึกไม่ออกเลยว่าปล่อยมันได้นึกไม่ออกเลยนะวันหนึ่งเกิดปัญญาขึ้นมาว่าโง่นี่หว่าแบกเอาไว้หนักเปล่าๆพอเห็นแล้วโง่แท้ๆเลยเห็นไหม อวิชชาโง่นะทิ้งเลยโอ้โล่งเลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่กระติกน้ำนะมันคือกายกับใจที่ติดอยู่กับตัวเราจนเรานึกไม่ออกเลยว่ามันปล่อยได้มันปล่อยได้เหมือนกระติกน้ำนี่แหละมันปล่อยได้จริงๆนะอัศจรรย์ที่สุดเลยมันปล่อยได้เมื่อมันมีปัญญามันมีวิชาจึงล้างอวิชชาได้มันมีปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เป็นของหนักเป็นภาระ พอมันรู้อย่างนี้นะมันโยนทิ้งเปรี้ยงไปเลยโยนทิ้งไปแล้วไปไหนเอากายเอาใจไปไหมเอาไปแต่ไม่กระทบกันมันอยู่คนละเลเยอร์ในวงเล็บชั้นเลยนะพวกเราภาวนามาถึงช่วงนี้เรียนกับหลวงพ่อมาถึงช่วงหนึ่งรู้สึกไหมเหมือนกับกายนี่มันแยกออกไปอยู่ต่างหากเวทนามันแยกออกไปรู้สึกไหมกุศลอกุศลมันแยกออกไปรู้สึกไหมแต่จิตไม่แยกนะจิตยังเป็นคนดู นี่คือตัวเรายังเหนียวแน่นอยู่ตรงนี้ถ้าแยกวันไหนนะอุ๊ยมันไม่ใช่เราหรอกจะได้โสดาบัลถ้าคว้างมันทิ้งได้จะเป็นพระอรหันต์มันคว้างของมันเองนะอัศจรรย์เพราะมันเห็นทุกแจมแจ้งบางคนเห็นทุก์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นทุกเพราะมันถูกบีบคั้นเรียกว่าทุกขลักษณะบางคนเห็นว่ามันเป็นทุก์เพราะมันเป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งนี่แหละเรียกว่ารู้ทุก์พอรู้แล้วโยนทิ้งเลยทิ้งได้นะแปลก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 แต่พอปล่อยวางจิตแล้วความอัศจรรย์มันเกิดขึ้นมันไม่มีสองชั้นแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยในกายในขันทั้งหลายกับธาตุรู้นี่แหละมันก็กลืนอยู่ด้วยกันด้วยไม่ได้แยกกันเป็นสองส่วนพูดไปแล้วนี่คือความประหลาดอัศจรรย์พิลึกพิลั่นแค่คิดก็คิดไม่ออกแล้วของเราตอนนี้เรารู้สึกไหมมันแยกได้คนทั่วๆไปมันไม่แยกคนทั่วๆไปมันรวมเป็นอันเดียวกันรวมเป็นตัวกูเรามหัดภาวนานะหัดภาวนาใหม่ๆ ช่วงหนึ่งยังไม่จบกิจรู้สึกมันแยกไปขันมันแยกออกไปใจที่รู้มันอยู่อย่างนี้พอปล่อยวางจิตออกไปได้นี่นะทั้งหมดนี่เป็นอันเดียวกันหมดเลยจิตกับสิ่งที่แวดล้อมอยู่จิตกับวัตถุจิตกับทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่นี่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะหลวงปู่ดูลเคยสอนบอกว่าผู้ใดเห็นว่าจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนะจะถึงที่สุดเลย มันคล้ายๆนิทานเซนที่บอกว่าคนที่ไม่ภาวนาเห็นภูเขาเป็นภูเขาเห็นต้นไม้เป็นต้นไม้เห็นแม่น้ําเป็นแม่น้ําภาวนาเสร็จแล้วภูเขาเป็นภูเขาอีกแล้วแต่ไม่ยึดนะภูเขาอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่นะมันจะซึมซ่านนี่ต้องใช้คํานี้ถึงจะถูกซึมซ่านหรือซึมแทรกเข้าไปในสรรพสิ่งตัวธาตุรู้นี่มันซึมซ่านอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแยกออกไปแต่ว่าความทุกข์นี่จะเข้าไม่ถึงใจเป็นเรื่องแปลก อันนี้พูดให้ฟังแบบโฆษณาชวนเชื่อสนใจก็ต้องมาคอยรู้กายรู้ใจไว้แล้ววันหนึ่งก็จะเห็นได้ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่คิดเอานะถ้าเห็นได้เมื่อไหร่โอ้ไม่ทุกแล้วโว้ยไม่ทุกแล้วโว้ยสบายไม่ใช่โลกแยกเป็นส่วนๆหลวงปู่ดูลท่านถึงเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดจิตหนึ่งจิตหนึ่งคู่กับอะไรคู่กับในเครื่องหมายคำพูดธรรมหนึ่งธรรมหนึ่งก็คือในเครื่องหมายคำพูด น, นิพพาน เทศยากไปไหมทําไมวันนี้เทศยากขนาดนี้คงมีคนภาวนาเก่งๆเยอะวันไหนพวกภาวนาไม่ค่อยเป็นมาเราก็เทศง่ายๆถือศีลไว้อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องภาวนานะภาวนาก็คือมีสติขึ้นมาคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจอย่าคิดเรื่องกายเรื่องใจแต่ดูว่าจริงๆกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรคอยรู้สึกอยู่เรื่อยๆรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึก ต่อไปก็จะเห็นว่ากายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งใจมันก็อยู่ส่วนหนึ่งมันแยกกันกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราหรอกมันอยู่ต่างหากใจมันเป็นคนดูพอมันแยกขันออกไปนะกายกับใจแยกกันปุ๊บกายไม่ใช่เราแล้วจะรู้สึกเลยกายมันอยู่ต่างหากดูไปอีกเวทนามันก็อยู่ต่างหากเวทนาก็ไม่ใช่กายเวทนาก็ไม่ใช่จิต เวทนาเป็นขันอีกขันหนึ่งหรือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งแทรกอยู่ในกายบ้างแทรกอยู่ในจิตบ้างแต่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตมันอยู่ห่างๆหาง่หางอะไรห่างกายห่างจิตนี่ประหลาดหนักเข้าไปอีกดูต่อไปนะเราจะเห็นเลยกุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่กายกุศลทั้งหลายอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตเป็นขันอีกขันหนึ่งพอขันมันแยกตัวออกไปแต่ละขันแต่ละขันนะ แต่ละขันจะไม่มีตัวเราแต่จิตนี่บางทีก็มีตัวเราเพราะหลงคิดขึ้นมาพ่อหลงไปนะความเคยชินเก่าๆที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นตัวเราก็ผุดขึ้นมาพอมีสติรู้ทันตัวเราก็ดับไปมีใครทําตรงนี้ได้แล้วยกมือให้ดูหน่อยสิให้ยกมือนี่ไม่ได้เรื่องเลยไม่เคยมีใครยกเลยฝึกนะตอนนี้คนที่เห็นจิตเกิดความเป็นตัวเราเห็นเกิดขึ้นเป็นคราวๆนี่เยอะแยะแล้วนะ ไม่ใช่มีคนเดียวไม่ใช่มีสองคนแต่มีระดับเป็นร้อยๆแล้วหลวงพ่อไม่ได้สรุปจํานวนที่แน่นอนไว้แต่มีเยอะแล้วไม่ใช่ร้อยหรอกเป็นพันๆแล้วเริ่มสามารถเห็นได้แล้วว่าความรู้สึกว่าจิตเป็นตัวรานี่ผุดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็หายไปแล้วก็ผุดขึ้นมาอีกเดี๋ยวก็หายไปอีกอย่างคุณ น, นี่ก็เห็นแล้วเห็นเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมรีสปอนส์ในวงเล็บตอบกลับตามวัฒนธรรมไทยนิ่งไว้ก่อนนิ่งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ เราจะเห็นเลยความเป็นตัวตนจริงๆไม่มีเมื่อไหรหลงคิดนะความเป็นตัวตนก็มีขึ้นแต่ว่าพอเห็นตรงนี้ว่าตัวตนไม่มีเห็นเป็นคราวๆนี่ยังยอมรับไม่ได้บางคนพอเห็นตรงนี้เกิดความรู้สึกเวิงว้างวางเวงหวิวหววหวงโหวงนะตัววอแหวนทั้งนั้นเลยบางคนว่าเว่โอ้ตายแล้วตัวเราหายไปเคยเป็นไหมมันเวิงเวงวางวางห ว, ว, วิวหวิวหวันไหวตัววอทั้งนั้นเลย บางคนกลัวรู้สึกกลัวว่าตัวเราหายไปเฮ้ยร่างกายไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราดูน่ากลัวบางคนหวีผมอยู่หน้ากระจกนะวหวีไปหวีไปเฮ้ยมันตัวอะไรวะนี่มันดูน่ากลัวกาลังอาบน้าอยู่นะถูสบู่ขัดขี้ใครอยู่เฮ้ยนี่มันตัวอะไรไม่รู้บางคนกลัวเลยใครเคยเป็นบ้างไหมอา้าวพยักหน้าใครเคยเป็นไม่ยกก็ได้อา้าววัฒนธรรมไทยชอบพยักหน้า คงเรียนมาจากกิ้งก่ากึกๆึกกนะนี่พอให้พยักหน้านะพยักเป็นแถวเลยคอยดูเรื่อยๆจะเห็นเลยนะบางคนกลัวไปเลยบางคนเบื่อพอเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีนะเริ่มเห็นความจริงในเบื้องต้นแล้วว่าตัวเรามันเกิดขึ้นเป็นคราวๆเองถ้าไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่หลงไปความรู้สึกว่าจิตเป็นเราก็ไม่มีพอไม่มีเราขึ้นมานี่นะบางคนเบื่อบางคนกลัวบางคนหวงหวงบอกไม่ถูก ว่างเปล่ากลวงๆนะรู้สึกไม่มีที่พึ่งที่อาศัยนี่บางคนภาวนามาถึงจุดนี้นะให้ดูต่อไปอย่าเลิกวงวงๆรู้ว่าวงวงๆเบื่อรู้ว่าเบื่อกลัวรู้ว่ากลัวรู้ลูกเดียวเลยรู้ไปเรื่อยนะรู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันแก่รอบขึ้นมามันค่อยยอมรับความจริงได้มากขึ้นมากขึ้นยอมรับความจริงว่าจริงๆเราไม่มีหรอก ผู้ที่ยอมรับความจริงได้คือพระโสดาบันตอนนี้พวกเราหลายคนที่เริ่มเห็นแล้วว่าตัวเราไม่มีตัวเรามันผุดขึ้นมาเป็นคราวๆพวกนี้เรียกว่าแคนดิเดตวงเล็บเปิดผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นวงเล็บปิดที่จะเป็นพระโสดาบันรู้สึกมีกําลังใจไหมชักฮึง่งเหิมได้แคนดิเดตแล้วนะอย่างน้อยเริ่มเห็นความจริงแล้วไม่มีเราหรอกเรามันผุดขึ้นมาจากความคิดเป็นคราวๆเท่านั้นเองดูไปเรื่อยตอนนี้ใจยังไม่เป็นกลาง ต่อไปใจเป็นกลางยอมรับความจริงมันไม่ใช่เราหรอกเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะอย่างไรก็ต้องยอมรับความจริงเข้าจนได้ในวันหนึ่งบางคนเห็นครั้งแรกก็ยอมรับความจริงเลยพวกนี้อินทรีย์แก่กล้ามีนะไม่ใช่ไม่ ม, มีบางคนเห็นสองสามครั้งก็ยอมรับแล้วบางคนเห็นร้อยครั้งยังไม่ยอมรับใจมันดื้ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าพอสติปัญญายังไม่แก่กล้าพอก็ดูของเราไปอีกจะเห็นเลย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 ดูลงมาทีไยจะเห็นกายนี้กลวงงไม่ใช่เราดูลงไปจะเห็นเวทนานี้กลวงงไม่มีเราดูลงไปเห็นสังขารคือกุศลอกุศลทั้งหลายก็กลวงงไม่มีเราดูจิตก็กลวงงไม่มีเราอีกดูมันกลวงงไปหมดเลยยิ่งฝึกยิ่งกลวงงนะแต่ยังมีเปลือกอยู่สิ่งที่กลวงๆได้ต้องมีเปลือกนึกออกไหมฉะนั้นเราภาวนาเรายังมีเปลือกดูออกไ้มอ้าวใครดูออกเพียงหน้า ใครเห็นจิตที่มีเปลือกมีสิ่งห่อหุ้มอยู่ในแคปซูลพูดภาษาสมัยใหม่บอกอยู่ในแคปซูลเมื่อก่อนครูบาอาจารย์ทางอีสานองค์หนึ่งท่านบอกอยู่ในไหอกระเทียมยังดีนะท่านไม่บอกอยู่ในไหอปลาแดกเหม็นหน่อยใจมันยังถูกหุ้มวันหนึ่งเปลือกนี้ถูกทำลายไปถูกทำลายไปแล้วจิตใจนี่ซึมซ่านเข้ากับโลกเลยกลมกลืนไม่มีการแบ่งแยกจิตของเราตอนนี้คล้ายๆลูกโป่งสวรรค์รู้จักไหมยังมีขายไหมลูกโป่งสวรรค์ ลูกโป่งที่ลอยได้มีแก๊สบรรจุอยู่ภายในวันหนึ่งลูกโป่งแตกถามว่าแก๊สหายไปไหนแก๊สไม่ได้หายไปใช่ไหมแก๊สกระจายออกไปจิต ท, ที่ปราศจากการห่อหุ้มแล้วนี่ไม่ได้หายไปไหนนะแต่กระจายออกไปกว้างขวางไร้ขอบไร้เขตชื่อเครื่องหมายคำพูดเปิดวิ ม, มาริยาที่กัดตัจิตปิดเครื่องหมายคำพูดฉะนั้นเราฝึกนะ เราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปเรื่อยเราจะค่อยๆพัฒนาจนเห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกมากขึ้นมากขึ้นถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดตัวเราไม่มีหรอกตอนนี้ก็ยังเห็นว่าตัวเราโผล่เป็นคราวๆ ค, คนที่ยังไม่เห็นตัวเราว่ามันเกิดเป็นคราวๆนะหรู้กายรู้ใจไปจนเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งค่อยๆแยกขันไปร่างกายมันยืนไม่ใช่เรายืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอน ไม่ใช่เรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินกายมันทำงานกายมันไม่ใช่เราหรอกมันจะรู้สึกแยกออกไปเวทนามันเกิดขึ้นก็คือความสุขมันเกิดความทุกข์มันเกิดไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตมันโลภจิตมันโกรธจิตมันหลงไม่ใช่เราโลภเราโกรธเราหลงนะเราจะเห็นอย่างนี้ค่อยๆเห็นไปเรื่อยหัดแยกกายหัดแยกจิตใจไปเพราะฉะนั้นปัญญาเบื้องต้นที่สุดเลยสำหรับการภาวนา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 จิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจะแยกออกมาค่อยๆแยกพอเราแยกสิ่งที่เรียกว่าขันหรือแยกตัวเราออกมาเป็นขันเป็นส่วนๆแล้วขันแต่ละขันจะไม่มีตัวเราแต่ถ้าหลงคิดเมื่อไหร่ตัวเราก็โผล่ถ้ารู้สึกตัวอยู่ไม่หลงอยู่ในโลกของความคิดขันก็ไม่มีตัวเรานี่ฝึกไปเรื่อยนะ เห็นขันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นทีละอันทีละอันไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเห็นว่าไม่มีตัวเราใจมันยอมรับความจริงว่าไม่มีตัวเราเพราะจริงๆไม่มีหรอกตัวเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเองฝึกได้อย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันนี่ความทุกตกหายไปหลายสิเอร์เซ็นเลยจิตใจจะอบอุ่นจิตใจจะมั่นคงเหมือนว่าเราเคยคิดว่าเราเป็นลูกกําพราไม่มีพ่อมีแม่ เราเกิดจากกระบอกไม่ไผ่หรือโผล่ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้โตมาโผล่ขึ้นมาจากทั้งขยะอะไรอย่างนี้แบบในการ์ตูนวันที่เราได้โสดาบันนี่เรารู้แล้วว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าและเป็นลูกมีพ่อมีแม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านบอกนางวิสาขาว่านางวิสาขานี่เป็นลูกท่านบอกว่าอนาถาบินธิกะก็เป็นลูกท่าน หรือเมื่อไหร่ที่เราเป็นโสดาบันเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเอาล่ะเอาเท่านี้พอนะเป็นพระโสดาบันก่อนได้แล้วค่อยมาเรียนต่อ